สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่เยาวรานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สามร้อยเรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่เจ็ดสิบห้าพี่น้องครับเรากำลังมาถึงช่วงสุดท้ายของคำอธิษฐานของพระเยซูเห็นนะครับว่าคำอธิษฐานของพระเยซูนั้นมีความลึกซึ้งกว้างไกลมากจริงๆครับเพราะเหตุที่ว่าความลึกซึ้งกว้างไกลขนานี้นะครับ สามารถทำได้ถึง75ตอนทีเดียวครับเรากำลังมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับที่เป็นคำอธิษฐานของพระเยซูว่าขออย่านำข้าพงทั้งหลายเข้าไปอยู่ในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายนะครับเมื่อวานนี้เราได้บอกกันแล้วครับว่าการที่เราจะต้องรู้ความหมายของคำว่าการทดลองนะครับในแง่ของบวกนะะเพราะเนื่องจากว่าในภาษากรีกนั้น ก็มีความหมายค่อนข้างจะเป็นกลางถ้าอยู่ในมือหรือพระหัตถ์ของพระเจ้านะครับมันก็จะเป็นการทดลองทดสอบนะครับเป็นการลองทดสอบเพื่ออาจะให้ผ่านครับแต่ถ้าเราให้ความหมายเอ็เอียงเข้าไปนะครับในฝ่ายไม่ดีมันก็จะกลายเป็นการล่อลวงของมารซาตานพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเราอยู่ใน เรื่องราวที่ค่อนข้างจะสําคัญมากจากคําว่าการทดลองนะครับซึ่งในภาษากรีกใช้คำว่าพิเรัสมสซึ่งมีความหมายเป็นกลางนั้นก็จะเข้าไปถึงความหมายของคําอีกคําหนึ่งครับก็คือคว่าคําว่าการเข้าไปนะครับการเข้าไปการเข้าไปนั้นภาษากรีกคาว่าไอซอีไอสนะครับบางคนเปรียบเทียบกับภาษาฮิบรูว่าริยัตหมายความว่าการเข้าไปอยู่ใต้อํานาจ การเข้าไปอยู่ในอุ้งมือการเข้าไปอยู่ในภายใต้อิทธิพลนะครับเวลาที่เราอธิษฐานบอกว่าขออย่านำข้าพงเข้าไปในการทดลองขออย่านำข้าพงเข้าไปในการทดสอบขออย่านำข้าพงเข้าไปอยู่ในอุ้งมือของการทดสอบหรือภายใต้อิทธิพลของการทดสอบหรือภายใต้อํานาจของการทดสอบแสดงว่าการทดสอบนั้นมีอุ้งมือ นะครับอุ้งมือหรือมีอํานาจหรือมีอิทธิพลอยู่อิทธิพลต่ออะไรครับอิทธิพลต่อชีวิตของเราครับชีวิตของเราอาจจะสอบไม่ผ่านอาจจะตกเข้าไปอยู่ในอุ้งมือของมารซาตานหรือสิ่งชั่วร้ายหรือเข้าไปอยู่ในภายใต้อิทธิพลหรือการรบกวนของมันพี่น้องครับถ้าแปลอย่างนี้แล้วแสดงว่าแง่ลบแน่นอนครับก็คือ ขออย่านาข้าพงค์เข้าไปอยู่ในปุ้งมือของมารอยู่ในอํานาจมืดของมาร์ทอยู่ภายใต้อิทธิพลของมาร น, นะครับพี่น้องครับเวลาที่เราอาธิษฐานคําอธิษฐานนี้เหมือนกับที่พี่เยซูทรงตรัสสอนเราครับพี่เยซูทรงตรัสสอนเราให้อธิษฐานอย่างนี้เพราะเหตุที่อะไรครับเพราะเหตุที่ว่าเรานั้นยังอยู่ในโลกอยู่นะครับในขณะที่พระเจ้านั้นปกป้องคุ้มครองพิทักษารักษา อารักขาเราพ ร, พระองค์นั้นทรงมีฤทธิอำนาจฤทธิเดชนิธานุภาพที่จะปกป้องเราให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายได้แน่นอนนะครับในขณะเดีวยวกันครับระเยซูสอนยอนนะครับและสาวกในพระธรรมยอนบทที่สิบเจ็ดข้อสิบห้าเยซูสอนว่าไงครับรเปียรซูสอนว่าข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลกแต่ขอปกป้องเขาไว้ ให้พ้นจากมารร้ายเห็นไหมครับพี่น้องครับในการทดลองซึ่งมีความหมาย ก, กลางนะครับถ้าอยู่ในมือของมารสาตานอยู่ภายใต้อิทธิพลของมารซาตานมันก็สามารถจะส่งผลต่อชีวิตของคริสเตียนได้นะครับด้วยเหตุ น, นี้เองมาทิลูเทอร์ก็กล่าวว่าเราหลีกไม่พ้นที่จ ะ, ะเผชิญกับการจู่โจมของมารแต่เราอธิษฐาน เพื่อเราจะไม่ต้องพ่ายแพ้และพินาศไปเพราะบวกมันเมื่อการล่อลวงนะครับมาถึงซาตานต้องการทำให้เราโกรธซาตานกระตุ้นต่อมโมโหโทโสนะครับโมหะและโทสะทำให้เราขมขื่นครับและเราจะต่อสู้กับมันได้ยังไงพี่น้องครับในพระธรรมยา ก, กอบนะครับบทที่สี่ข้อที่เจ็ดบอกชัดเจนครับเหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าเห็นไหมครับการน้อมใจยอมฟังพระเจ้านั้นเป็นกุญแจที่สำคัญเป็นคีย์นะครับกุญแจที่สำคัญในการเอาชนะมารสาตานได้เมื่อเราน้อมใจยอมฟังพระเจ้าพระเจ้าก็จะมีแนวทางของพระองค์ในการที่จะช่วยเราและ พระองค์ก็จะประทานยุทธภัณฑ์ทั้งชุดให้กับเราพี่น้องครับเราจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรครับคำตอบก็คือเราต้องอยู่ภายใต้การปกครองของพระเยซูครับหมายความว่าเราจะต้องทำเชื่อฟังในสิ่งที่พระองค์ตรัสเราดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระคัมภีร์นะครับนี่คือเคล็ดลับในการที่จะเอาชนะมารซาตาน หลายหลาคนนะครับแพ้มาซาตานเรื่อยเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้วิธีเอาชนะวิธีเอาชนะอยู่ที่ไหนครับวิธีเอาชนะอยู่ในพระครคัมภีร์ซึ่งเราต้องอ่านเราต้องฟังหลายหลาคนนะครับก็มองข้ามไปฟังข้ามไปนะครับเห็นเสียงสีบานน้นมีทุกวันทุกวันทุกวันนะครับบางครั้งก็ไม่อยากฟังบ้างบางครั้งขี้เกียจฟังบ้าง บางครั้งอาจจะมีบางสีงบางอย่างทําให้ไม่สามารถฟังได้บ้างพี่น้องครับถ้าเราไม่รู้พระวจะนะพระเจ้าดีพอเราก็ไม่รู้กับดักและหลุมพรางของมารซาตานเมื่อเราไม่รู้เพราะวาจะนะของพระเจ้าดีพอจิตใจแห่งการเชื่อฟังเราก็ไม่ถึงครับเมื่อเราไม่ถึงเราก็ไม่สามารถเชื่อฟังทําตามพระวจนะของพระเจ้าได้เมื่อเป็นเช่นนั้นครับ ทำให้ชีวิตของเรานะครับตัดสินใจไม่ได้อยู่ในนามาไทของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในความคิดแบบพระเจ้านะครับไม่ได้อยู่ในการยอมจำนวนนะครับซึ่งเป็นท่าทีที่สำคัญต่อพระเจ้าไม่ได้มีชีวิตที่สอดคล้องกับนามาไทของพระเจ้าที่สำแดงไว้ในพระคมภีครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องระวังไว้ เป็นความสําคัญอย่างยิ่งครับที่จะให้พ้นจากการทดลองนะครับอย่านําเข้าไปในสู่การทดลองแต่ในขณะเดียวกันครับพ้นจากสิ่งชั่วร้ายพี่น้องครับการไม่เข้าไปอยู่ในการทดลองนะครับเป็นท่าทีของเราทั้งหลายทุกคนพี่น้องนะอาจารย์ของผมท่านหนึ่งนะครับยกตัวอย่างถ้าคุณไม่อยากทําผิดบาปทางเพศอย่าเดินเข้าไปอย่าเดินเข้าไปในการทดลอง อย่าเดินเข้าไปในสถานที่เลิ้งลมอย่าเดินเข้าไปในแหล่งแถวพัดพงนี่คือคำสอนของอาจารย์ผมเมื่อประมาณยี่สิบเกือบสามสิบปีที่แล้วพี่น้องครับสิ่งต่างๆที่สำคัญต่อชีวิตของเรานะครับเราจะต้องคิดให้ดีการทดลองการทดสอบการล่อลวงมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราค่อนข้างมากครับเมื่อชีวิตของคนคนหนึ่งนั้นได้มีอาหารการกินเรียบร้อยแล้ว ได้มีบ้านมีที่พักที่อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้วได้มีอะไรต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเพียงพอต่อชีวิตและครอบครัวเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือการทดลองครับพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับกษัตริย์ดาวิดเวลาที่เขาครองเมืองได้แล้วนะครับกษัตริย์ดาวิดยืนอยู่บนดาดฟ้าพระราชวังครับมองลงมาก็เจอใครครับพี่น้องเจอผู้หญิงที่กาลังอาบน้าอยู่ นะครับในขณะที่ท่านกำลังมองเมืองนะครับที่ยิ่งใหญ่ของท่านในเวลาเย็นท่านมีความรู้สึกอย่างไรครับท่านอาจจะมีความรู้สึกว่านี่คือความสำเร็จที่กษัตริย์ดาวิดหรือท่านได้รับอยู่เพราะฉะเมื่อจิตใจนั้นรู้สึกผ่อนคลายเมื่อจิตใจนั้นรู้สึกเต็มรู้สึกสบายใจอารมณ์ดีพี่น้องครับในช่วงนั้นแหละเราต้องระวังครับ เพราะว่าการทดลองจะมาถึงในที่สุดดาวิดก็ทำบาปครับพี่น้องครับเวลาสำคัญก็คือเวลาที่เราผ่อนคลายเวลาที่เรารู้สึกสบายใจนะครับภาษาคนจีเรียวเชงซิมนะเวลานั้นเป็นเวลาอันตรายครับเราต้องรู้กับแบกและหลุมพรางของมารซาตานขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราทั้งหลายจะตระหนักรู้และมีสติเพื่อที่เราจะไม่เข้าอยู่ในการทดลองพึ่งพาพระเจ้า เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าและมีท่าทีแห่งการเชื่อฟังํำตามน้ำมัธยของพระองค์อเมน